บุ๊ก <Book> 2. 12. ดาวอสเดเครื่องดื่มนูชิแดนีฮอผมดื่มชาครับมันช้อยมีนูชัมผมดื่มกาแฟครับ มันกาวฟมินูชามผมดื่มน้ำแรกครับมันอเบมาอแดนีมินูชัมคุณดื่มชาใส่มะนาวไหมครับทูชอยรรบาลีมูมินูชีคุณดื่มกาแฟใส่น้ำตาลไหมครับทูกาแรบาชคกรมินูชี คุณดื่มน้ำใส่น้ำแข็งไหมครับทออบรมินูีมีงานเลี้ยงที่นี่อินจยกเม์มานีสคนกำลังดื่มแชมเปญมารดมอมช็อนมินูชานคนกำลังดื่มไวน์และเบียร์ มา د ดม ر ا ร و บ ب جو อ ی โจมิโชันคุณดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไหมครับโทอัลโคลมิโนชีคุณดืณ่มวิสกี้ไหมครับโทวิสกี้มิโนชีคุณดื่มโค้กใส่เหล้ารำไหมครับโทนูชาเบวร์มมิโนชี ผมไม่ชอบแชมเปญมันมชออ็องพดสน์นารมผมไม่ชอบไวน์มันชาบดูสตน์นารมผมไม่ชอบเบียร์มันอบจ ด, ดูส์นารมเด็กอ่อนชอบดื่มนม bageh شیر دوست دارد เด็กชอบดื่มโกโก้และน้ำแอปเปิ้ล bageh كاكاو و د د. آب سیب دوست دارد ผู้หญิงชอบดื่มน้ำส้มและน้ำเกรปฟรุต آن خانوم آب پرتقال و آب g r a p e f r u دوست دارد